ด้วยความมัน่นมั่นใจไม่ประมาทรักษาอาจขมใจไว้เป็นสีผู้ฉลาดอาจตั้งหลักพำนักดีอันห่วงน้ำไม่มี มารังควานขอต้อนรับสาธุชนเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติวันนี้ทางรายการก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้คราวที่แล้วอาตมาได้นำธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทางไปสู่มรรคผลนิพพาน สำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่สองที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของไตรสิขาคือศึกษาในเรื่องของศีลข้อปฏิบัติที่ชำระกายกับวาจาให้บริสุทธิ์ให้หมดจด อันเป็นผลเป็นปัจจัยให้มุ่งเข้าไปศึกษาเรื่องสมาธิอันจะเป็นบาดฐานให้จิตใจสงบแนบแน่นมั่นคงเป็นเอกะคะตาจิตและจะส่งผลให้สาธุชนได้ถึงปัญญาศิกขาอันจะเป็นตัวประหัตประหารกิเลสเหตุแห่งทุกข์ที่จะดาเนินไปสู่ทางแห่งมรรคนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง จึงขอเชิญท่านผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านมาตั้งใจสดับตรับฟังธรรมบัญญายของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณณบัดนี้และยังมีพระไตรปิฎกปรากฏชัดเจนในเรื่องของอพระยะมกดังที่กระผมได้เคยนำมากล่าวแล้วว่า ยะทะนิจจังตังทุกขงังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแลเป็นทุกเป็นทุกเพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใครเข้าไปยึดด้วยตัณหาและทิฐิก็เป็นทุกยังทุกขังตังอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแลมิใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มิใช่ตัวตน ก็คือสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็คือสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอันไม่เที่ยงต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาก็หมายเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นสังขารหรือสังฆาฏาสังฆธรรมเท่านั้นนี่รับกันอยู่อย่างนี้แต่อธิบายขัดกันดูเหมือนขัดกันความจริงไม่ขัด ถ้าเข้าใจจุดนี้แล้วไม่ขัดนี้คือเรื่องราวที่กล่าวว่านอกเสียจากปฏิบัติในวิชาธรรมกายแล้วการจะเห็นส่วนนี้ได้ชัดเจนว่าไม่ขัดกันเป็นไปในแนวเดียวกันนั้นไม่ง่ายเป็นของไม่ง่าย ก็มีแต่ในวิชาธรรมกายเข้าไปรู้ไปเห็นก็เลยเข้าใจจุดสำคัญเหล่านี้ได้และไม่มีขัดกันธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีขัดกันเลยทีนี้เมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้แล้วกระผมก็เลยจะมากล่าวถึงความเกี่ยวข้องของธรรมะปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าสมถะวิปัสนามาเกี่ยวข้องกับนิมิตมาเกี่ยวข้องกับการทานิพพานให้แจ้งว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรและจะได้เห็นว่าวิชาธรรมกายนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติที่ตรงไปสู่มรรคผลนิพพาน จริงๆแค่ไหนนะฮะตอนนี้ก็จะไม่กล่าวเป็นเชิงเหมือนกับยกตนขมท่านหรืออวดอ้างอะไรในพิชาธรรมกายว่าตรงที่สุดหรือตรงกว่าใครๆข้อนี้พูดไม่ได้แต่ว่าแนวทางปฏิบัตินั้นรับกันกับพระไตรปิฎกในหลักสำคัญเหล่านี้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไปกล่าวถึงธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายกระผมจึงจะขอเอาหลักการในพระไตรปิฎกมากล่าวเพื่อสรุปในส่วนต่างๆซะก่อนว่าอย่างนี้นะครับแล้วจะได้ไปดูในวิชาธรรมกายประการแรก พระผมจะขออ่านเนื้อความในพระไตรปิฎกในส่วนของหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานนะครับ ในส่วนที่เรากล่าวถึงสมาธิปัญญาแต่พระท่านเรียกสมถวิปัสสนากรรมฐานนั้นทุกท่านคงเข้าใจดีว่าเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกนั้นคืออวิชชามูลรากฝ่ายเกิดแห่งทุกทั้งปวง อวิชานั้นหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนไม่ได้เห็นไม่ได้รู้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวักรไม่รู้อนาคตว่าสัตว์ทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้เราทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้จะไปได้รับผลอย่างไรในอนาคต ไม่รู้ลักษณะของทุกข์ที่แท้จริงไม่รู้ลักษณะของเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงไม่รู้ลักษณะของทุกข์ดับเพราะเหตุดับว่ามีจริงอย่างไรไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอย่างนี้เรียกอวิชชาและไม่รู้ถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันดุดลูกโซ่ให้เกิดทุกข์มีอวิชชา เป็นตัวต้นเหตุที่สุดมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิให้เกิดพบชาติชราหมรณะทุกข์เป็นที่สิ้นสุดแห่งเหตุเป็นที่สุดแห่งเหตุแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในรอบของปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้เองตลอดเวลาทำให้สัตว์ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสาระจักนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้ซึ่งกระจายออกมาเป็นถึงความไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญไม่รู้ทางเสื่อมไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเปิดเผยและปกปิดนี่ก็หลงผิดคิดผิดทําผิดให้ได้รับผลเป็นความทุกข์ เป็นโทษเป็นความเดือดร้อนต่างๆไอ้ส่วนที่คิดถูกพูดถูกเห็นถูกทําถูกก็ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญไปตามส่วนแต่มีแนวโน้มที่จะถูกอวิชชาครอบงำมากขึ้นมากขึ้นถ้าเผื่อไม่ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อให้แจ้งในวิชาเครื่องดับอวิชามูลรากฝ่ายเกิดนี้เสียได้ทีนี้ ทมอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชาเครื่องกำจัดอวิชาเป็นมูลรากฝ่ายเกิดทุกทั้งปวงนั้นก็คือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้มีอยู่ในพระสุตันตปปดกอังคุตตรนิกายทุกการิบาตข้อสองร้อย็ดสิบห้าถึงสองรอยเจ็ดสิบหกนะี้ฟังให้ดี ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชาทำสองอย่างนั้นเป็นฉะไหนคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายสมถะที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมเสเวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมเสเวยประโยชน์อะไร ย่อมละราคะได้วิปัสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละอวิชชาได้นี่ส่วนจำเพาะส่วนที่เป็นสมถะนั้นทำให้ละราคะได้ส่วนที่เป็นวิปัสนานั้นละอวิชชาได้ ทีนี้ดูความสัมพันธ์ระหว่างสมถะและวิปัสสนาอีกทีหนึ่งว่าอาศัยซึ่นกันและกันอย่างนี้ว่าดูกระพิสุทั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชาย่อมไม่เจริญด้วยประการศนี้แลดูกระพิสุทั้งหลายเพราะสำรอกราคะได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุต เพราะสำรอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตตจากความของพระพุทธวจนะอันนี้นะชัดเจนเลยว่าพระพุทธองค์มิได้ทรงสรรเสริญแต่เพียงสมถะหรือวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งหาไม่ได้ แต่ทรงกล่าวว่าสมถะและวิปัสสนานั้นมีประโยชน์สำคัญและประโยชน์สำคัญนั้นมีความสัมพันธ์กันด้วยคือสมถะเมื่ออบรมดีแล้วละราคะได้วิปัสสนาอบรมดีแล้วละอวิชชาได้แต่ว่าจิต ที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมหลุดพ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะอบรมแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่อบรมสมถะให้ละราคะได้แล้วย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาก็ย่อมไม่เจริญเพราะฉะนั้นใครทำแต่ปัญญา หรือวิปัสนาไม่อบรมสมถะก็ไม่เจริญเห็นไหมล่ะครับฉ น, นี่แลเพราะสํารอกราคะได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุตต์สารอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตตเพราะฉะนั้นการหลุดพ้นจึงต้องเป็นไปทั้งสมถะและวิปัสนาเพื่อให้หลุดพ้น ด้วยการสำรอกทั้งราคะและอวิชานะและทุกคนที่จะหลุดพ้นนั้นย่อมหลุดพ้นทั้งโดยในยะแห่งเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตไปด้วยกันนะครับไม่ได้แยกกันหรอกครับมีผู้เข้าใจไข้เขวว่าคนนี้หลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตตคนนี้หลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตต ความหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าเจโตวิมุตต์แล้วปัญญาวิมุตต์ไม่หลุดด้วยไม่ใช่หรือปัญญาวิมุตต์แล้วเจโตวิมุตต์ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าปรารภหรือปฏิบัติอย่างไหนก่อนหนักอย่างไหนก่อนแล้วไปหลุด พ, พ้นด้วยกันนั่นแหละเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าเช่นนั้นกระผมมีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ในข้อนี้มีครับมีมีแน่ๆมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในพระสุตันตปิฎกขุทธกากนิกายปฏิสัมพิธามักยุคนัทธวัชยุคนัทธกาถาข้อห้าร้อยสาสบสี่ห้าร้อยถึงห้า้สาสบหก ได้แสดงทางหลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสนาสามวิธีด้วยกันคือยังไงต้องอาศัยทั้งสมถะและวิปัสนาหรืออีกในหนึ่งต้องอาศัยทั้งสมาธิและปัญญานั่นเองไม่ใช่แยกกันไม่ใช่แยกกัน ถ้ามามัวเถียงกันว่าคนนั้นเป็นสมถะคนนี้แหละถึงจะเป็นวิปัสนาแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะธรรมะปฏิบัติพระพุทธองค์สอนให้ทำไปด้วยกันทั้งสมถะและวิปัสนาทั้งสมาธิและปัญญาแน่นอนเอาง่ายๆอุ่นๆพระเดชพระคุณท่านจะคุณราชวิสุทธิโมลีมาแสดงอินรีห้า ซึ่งจะเจริญขึ้นเป็นพระห้าว่าต้องได้ส่วนสั ม, สมพันธ์กันนะได้ส่วนสมดุลกันนะอินรียห้ามีอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องได้ส่วนสมดุลกันและเมื่อเจริญแก่กล้าขึ้นและจะเป็นพร ะ, ะเป็นกำลังกำลังอะไรกาลังขจัดสัญญ์กิเลสเครื่องร้อยรัให้ติดอยู่กับโลกได้ จะยิ่งยนตนกว่ากันก็หามิได้นะเพราะฉะนั้นมาปฏิบัติวิชาธรรมกายแล้วนี้ให้มีความรู้สึกอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่กระผมแน่ใจว่าถูกต้องแน่นอนคือต้องปฏิบัติทั้งสมาธิและปัญญา แต่อะไรจะเกิดก่อนอะไรจะเกิดหลังแล้วพัฒนาขึ้นไปพร้อมกันอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทั้งสมาธิและปัญญานั้นต้องปฏิบัติแน่นอนและเมื่อจเจริญขึ้นถึงขั้นจะประหารสัญญอดเป็นองค์ธรรมฝ่ายเครื่องตรัสรู้ลลว สมาธิและปัญญาหรือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานมีกำลังเสมอกันนี่มีปรากฏอยู่ในทั้งโพธิปักเิยธรรมและมีอยู่ทั้งในวิสุทธิมรดุด้วยนะฮะแล้วทีนี้มาดูสิที่ว่าทางหลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนาสามวิธีนี่ มีอะไรบ้างความจริงนั้นยังมีสี่แต่สี่นั้นเป็นเครื่องแก้สามข้อที่คนเข้าไปในสามข้อนี้ไม่ถูกวนเวียนอยู่หลงทางก็มีทมขุดขึ้นมาเองเป็นวิธีที่สี่สามวิธีนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเจริญวิปัสสนา โดยมีสมถะเป็นเบื้องตน้นอันนี้ก็ผมจะอ่านให้ฟังดูกระอวิโสอาวุโสทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ย่อมเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะเป็นเบื้องตน้นเมื่อภิกษุนั้นเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะเป็นเบื้องต้นอยู่มักย่อมเกิดภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้น ฟังให้ดีครับมักเกิดแต่ว่าเมื่อต้องเศษนะเศษเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อภิกษุเศพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสัญญอดได้อนุสัยย่อมสิ้นไปเออข้อนี้ มีอธิบายกันนะครับว่าอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็ประหารสัญญอดีเวียวนั้นนี่เป็นข้อสังเกตแล้วเข้าพละสมาบัติเป็นผลลจิตไปเลยครับที่ไหนที่ไหนก็อธิบายกันอย่างนั้นแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยแม้ในวิชาธรรมกายก็อธิบายกันอย่างนั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นพระพุทธองค์ว่า เมื่อภิกษุนนั้นจเจริญวิปัสนาอันมีสมถะเป็นเบื้องต้นอยู่มักย่อมเกิดภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญทาให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสัญญอตได้ตรงนี้นะในวิชาธรรมกายเราเห็นชัดมักและผลในระดับโลกีมักนั้นเอง เกิดขึ้นตั้งแต่ทำสมถะทำวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องต้นโลกียมักเกิดเกิดก็เสพทำให้มากทำให้เจริญจนถึงอริยมักของธรรมกายเมื่อไรนั่นแหละประหารสัญญอดได้ตรงตามพุทธพจน์นี่แหละครับไม่ได้เบี่ยวไปไหนนะฮะแต่ว่า กระผมจะไม่อ่านคําอธิบายที่ละเอียดต่อไปว่าแต่ละคานั้นมีความาหมายอย่างไรแต่ว่าจะขออ่านนิดเดียวในส่วนที่ว่าจเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นนะทำยังไงเป็นความหมายนะความหมายแต่วิธีปฏิบัตินั้นตรงตามความหมายนี้แล้วเป็นอันใช้ได้ ความหมายมีอยู่ว่าความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถแห่งเนกขมมะนี่คือการประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นสมาธิวิปัสสนาด้วยอัดว่าพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้นโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตา ด้วยประการดังนี้สมถะจึงมีก่อนวิปัสสนามีภายหลังเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าจเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องตน้นในวิชาธรรมกายนั้นผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วใช้ตาแหลญานของธรรมกายพิจารณาสภาวะธรรมเห็นกายในกา ย, กายเวทนาทเวทนาจิตในจิต และทาในธรรมเป็นณนะภายในและภายนอกจนกระทั่งอริยมรรคเกิดก็ละสัญญได้โดยในเดียวกันตามความหมายนี้ทุกประการแต่เบื้องต้นทำสมถะก่อนนี่วิชาธรรมกายเราเป็นอย่างนั้นเอาสำหรับท่านที่ถึงธรรมกายแล้วได้มาต่อวิชาแล้ว เมื่อกระผมได้กล่าวตรงนี้เชื่อแน่ว่าเข้าใจเลยว่าวิชาธรรมกายนั้นเริ่มต้นด้วยสมถะและเมื่อปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วเอาตาและยานธรรมกายพิจารณาสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมเป็นทั้งณ์าภายในและภายนอกให้เห็นสภาวะความปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารของกายเวทนาจิตธรรมแต่ละกายสุดหยาบสุดละเอียด ให้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริงคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรตรงตามเรื่องนี้ทุกประการคือเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องต้นนะฮะทีนี้ต่อไปวิธีที่สองเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นอีกประการหนึ่งภิกษุ จเจริญสมถะมีวิปัสนาเป็นเบื้องต้นเมื่อภิกษุนั้นจเจริญสมถะและมีวิปัสนาเป็นเบื้องต้นอยู่มักย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสัญญอดได้อนุัยย่อมสิ้นไป วิปัสนาด้วยอัตวระพิจารณาเห็นโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาความที่จิตมีการปล่อยธรรมทั้งหลายที่เกิดในวิปัสสนานั้นเป็นอารมณ์เพราะความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิด้วยปราการิชนี้วิปัสนาจึงมีก่อนสมถะมีภายหลังเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น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 คือการรักษาศีลการฝึกนั่งสมาธิการเจริญกิตตภาวนาแผ่เมตตาและรับฟังธรรมบรรยายซึ่งกิจกรรมมีเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา18นาฬกานาทีถึง20นาิานาทีเป็นต้นไป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 สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชะยะมังคลโลเจ้าวาดวาดัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทางไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งวันนี้นำเสนอจบลงไปเป็นตอนที่สองขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตาม ธรรมบัญญายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสีตอนทางรายการจะได้นํามาเสนอแด่ท่านผู้ฟังณเวลาตรงนี้ทางสถานีแห่งนี้เป็นประจาสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร